ขอความเจริญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพระพุทธยาณกำลังนำเสนอประเด็นที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่ท่านสามบดีพรุมว่าประตูอมาตะเราเปิดแล้วตามคำขอของท่านจนทั้งหลายจงน้อมศรัทธามาเถึง หรือปัญหาเรื่องราวต่างๆในาศาสนานั้นเป็นเรื่องบางอย่างก็ยากที่จะยังได้ถึงอย่างในกรณีปฏิจจสม บ, บาทเราจะเห็นว่าถ้าจะมุ่งในการอธิบายขยายความจริงๆเราก็ทําให้ลึกซึ้งจริงๆไม่ได้หรือเข้าใจได้ลึกซึ้งตลอดนี่ไม่ได้บางประเด็นก็จะมีปัญหาในการอธิบาย เพืนคนที่จะรู้แจ้งปฏิจจสมปุปบาทได้จริงๆก็ต้องเป็นประยะบุคคลแม้พระยะบุคคลระดับพระโสดาบันที่ท่านรู้สึกมันตื้นมันง่ายแต่พระเจ้ากระสงแสดงให้เห็นว่าที่จริงมันยากเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเองแม้จะรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำลายตัวอวิชาได้กยังทำให้ท่านต้อง หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็ อ, อาจจะหนึ่งชาติสองชาติจนถึงเจ็ดชาติแต่ก็ดีหน่อยที่ว่าไม่เกินเจ็ดชาติความเชื่อตรงนี้เราเวลาพูดในแง่ของกรรมเราพูดในระดับที่เรียกว่ัตถากตะโพวิสัทาคือเชื่อพระปัญญาเครื่องสัตวรู้ของพระพุทธเจา้าปัญหาอะไรก็ตามที่เราพอจะ ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาตามลำพังได้เราก็ใช้สติปัญญาไปแต่ว่าบางระดับนี่มันยากต่อการที่จะไปยังรู้ได้พระโบราณอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคือ ป, ปัญญาสามัญชนกับปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาสามัญชนเปรียบเหมือนมเมล็ดันประกาศปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเขาพระสุเมน คือมันสูงต่ำกันจนไม่รู้จะเทียบยังไงด้วว่าการกัดสินธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยสามัญสำนึกของตนเนีย่ยจะได้นาเอาหลักการชั้นขั้นตอนกรรมวิธีในการฝึกจิตของพระองค์หลังจากสงเลิกคงเป็นทุกขกรริยาแล้วว่าพระองค์ได้ผ่านขั้นตอนแห่งการปฏิบัติมาได้อย่างไรและได้สัสรู้โดยวิธีใดถึงเรื่องบาเรื่องก็เป็นพุทธวิสัย แล้วก็มีอำนาจในการดลบันดาลเน่อจากข้างนอกคือข้อที่น่าสนใจก็คือตอนพระพุทธเจ้าจะสัตสรู้เนี่ยเมื่อพยามมารเริ่มไปจนเทวดาทั้งหลายซึ่งมาชุมนุมกันในอันตรทานไปหมดเลย<ม>อยกรวมอนาจอิทธิฤทธิ์ของพยามมารพระเจ้าก็รปจนมารตามลำพังของพระองค์แล้วก็ส่งประสบชัยชนะร เรื่องบางเรื่องจึงเป็นเรื่องของพุทธวิสัยแล้วก็มีข้อความต่างๆที่ปรากฏในพระสูนซึ่งในที่นี้ต้องการจะนำทุกฟังไปศึกษาหารายละเอียดเท่าที่จะจะหาได้จากประสูตรต่างๆิยังที่บอกไว้ว่าเวลาพรธเจ้าทรงแสดงนั้นไม่แสดงหมดคือแสดงโดยในยะหนึ่งในยะหนึ่ง เพราะว่าระดับปฏิจจสมุปาถ้าจะแสดงโดยวิจิตพิสดารมันก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งแหละมันก็จะแสดงโดยนิยะหนึ่งนยะห น, นึ่งลองนึกดูว่าทรงพิจารณาอยู่ทั้งเจ็ดวันก็ไปกรับมาอยู่ทั้งเจ็ดวันแล้วก่อนที่จะสัต์รู้ว่าทรงพิจารณามาตามลาดับอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนก่อนๆในพิสูต จะเรียกว่าพยะเพราวสุทงแสดงว่าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงมีความรู้สึกว่าเสนาสะนะอันสงัดคือฝาเปลี่ยวสำหรับคนที่ใจยังไม่เป็นสมาธิอยู่ได้ยากประ จ, จิตจกัดแกงไปเพราะความกลัวเป็นต้นแต่คนที่มีกายวาจาสะอาดแล้วก็มองเห็นความสะอาดภายในใจตน พูดง่ายว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาที่จะต้องวิตกกังวลลักษณะของคนที่ฝ่ามือไม่มีแผลก็พร้อมที่จะจับยบคิดได้คนเหล่านี้ก็จะบรรเทาความครัวเสียได้แต่สำหรับพระองค์ในขณะนั้นเราก็ย้อนต้นไปหน่อยนะว่าในขณะนั้นเมื่อเกิดความครัวขึ้นมาในเรียบทใตก็ตามก็ทรงฝึกพระองค์โดยวิธี คล้ๆกระดักสันดานตนเองคือฝึกตนเองทรมานตวเองคือถ้าทรงกลัวในยบดยืนก็ต้องยืนจนหายกลัวแต่กลัวในยบดนั่งก็จะนั่งจนหายกลัวถ้านอนแล้วก็กลัวก็นอนจนหายกลัวเดินหายเดินกลัวก็เดินจนหายกลัวนั่นแหละก็เป็นการฝึกสร้างภูมิตั้นฐานขึ้นภายในพระไทย แล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งขึ้นไปโดยดำํำดับในมหาวารวักทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายถึงสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระพ์ทิสัจก็รับสั่งว่าทรงอยู่ด้วยวิหารธรรมครืออนาปานสติทัานควรจะสังเกตว่าการสอนกรรมฐานในประเทศไทยเราแม้แต่ในประเทศพมา่าประเทศลังกา พูดง่ายว่าประเภทประเทศแบบพุทธศาสนาเถราวาทเนี่ยฮะคือจะหนักไปในทางอนาปานสติกรรมฐานคือการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกยาวสั้นก็าตามก็ให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นเป็นกรรมฐานที่สาธารณะทั่วไปแก่คนเจริตทั้งหลายคือจริญโดยทั่วไปจะส่งจําแนกเป็นหก แต่ววันในมหาสติปัฏฐานาสูตรนั้นทรงจับแนกเป็นสี่แล้วก็ตัวหลักก็มีแค่สองนะฮะคือตัณหากัตติฏฐิแต่ทั้งหมดจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ช่า ง, งมันบังคับจิตให้สายคือแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายหาความสงบไม่ได้วิธีการก็นาปานาสติก็คือการตั้งสติจับอยู่ที่ลม ซึ่งอาจจะใช้การนับลมอาจจะการดูลมอาจจะตามลมหรืออาจจะภาวนาว่าพุโทโธเป็นต้นเนี่ยเพื่อจิตมาสงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นปรองประพฤติปฏิบัติจนอาการหวั่นไหวโยกครอนเนี่ยของกายของจิตเนี่ยจะสงบลงไป หากได้เจริญอนาปาสสติกรรมฐานคือการกำหนดรูลมหายใจเข้าออกยาวสั้นดังกล่าวโดยรู้ไปตามนั้นรเราก็ดำเนินไปโดยลำดับคือรู้เฉพาะซึ่งกายทำกายให้สงบประงับรู้พร้อมซึ่งสุขรู้พร้อมซึ่งกิตตสังขารแต่ละตอนเนี่ยอันคือมีนัยยะที่พิสดารมากอาตมาใช้เป็นหลักในการบรรยายอบรมที่ตึกสวธรรมานิเวศ ตั้งแต่ปศ .2521 เป็นต้นมานะฮะก็ยังไม่ได้จบไปสุดก็เลยพอเราขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีลักษณะที่เชื่อมโยงกันตลอดเป็นการบรรยายแบบแคล้ายๆกระสอนหนังสือคือแสดงท ร, ร ม, มากกว่าที่จะสอนทรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและพุทธศาสนาแล้วก็มีความเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความเหล่านี้แต่และข้อความเนี่ยเป็นการแสดงถึงจิตที่ปรับสภาพตัวเองขึ้นไปพิจารณาทั้งกายเวทนาจิตธรรมขึ้นไปโดยดำๆมเพราะในนาปานสติเวลาส่งแสดงโดยพะสูตรก็ดีหรือว่าแม้แต่แสดงในอนาปานปาปภะก็ดีก็แสดงถึงการเข้าไปของจิตสิบหกระดับ หมายความว่าเป็นกายสีเวทนาสีจิตสีธรรมสีสี่สีส่สก็สิบหกเช่นว่ารู้เฉพาะซึ่งกายทั้งปวงรู้กายจะสังขารให้สงบประงับคำว่ากายจะสังขาร น, นี่คือลมหายใจเขา้าออกให้เราสังเกตว่าชีวิตของเราจะดียังไงก็ตามนะฮะถ้าลมหมดก็หมด เพราะลมจึงเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายอยู่ก็ปนเปื้อชีวิตเราให้ดำรงอยู่บางครั้งเราจึงเรียกว่าปราณหรือเรียกว่าปาณนะเป็นภาษาบาลีถ้าเรียกสันสกตก็เรียกว่าปราณก็แปว่าลมหายใจเขาออกแล้วก็มากลายเป็นศีลข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าปานาะติปากนาะเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่มีปราณซึ่งอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นพืช อย่างวินัยของพระเนี่ยฆ่ามนุษย์ให้ตายเนี่ยต้องภาลชิกฆ่ามนุษย์เนี่ยต้องทุนละใจฆ่าสัตว์ดิเรกษาเนี่ยต้องปราจิตีทำลายปูตคามสำหรับพระนะฮะคือทำลายพืชตัดกิ่งไม้สักกิ่งหนึ่งเนี่ยก็ปรับปราจิตีเหมือนกันแต่ถ้าว่าไปหักกิ่งของต้นไม้ที่มันปลูกนอกก็ถือว่าเป็นพีชคามก็ปรับอาบัตทุกบท ก็แสดงตั้งการยอมรับถึงความมีชีวิตหรือมีปรารของสิ่งนั้นแล้วก็สอนปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงรู้ซึ่งสุขรู้ซึ่งจิตสังขารคำว่าสุขนี่ขึ้นเวทนาละหมายความมาเมื่อจิตเราเสวยเวทนาก็ดูที่ตัวสุขแล้วก็จะสังเกตว่าสุขนี่มันก็เป็นสังขารอย่าไห น, น มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปโดยเหตุปัจจัยเราก็ไม่สุขตลอดไม่ทุกตลอดเวทนาที่เราสวยมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนะ่ะที่เห็นชัดชัดนะคือถ้ามองในรายละเอียดรายละเอียดบางครั้งก็ส่งแสดงถึงเวทนาหกเวทนาห้าเวทนาสามเวทนาเก้าไล่ไปจนเป็นเวทนาร้อยแปดซึ่งโดยสภาพจิตจริงๆเนี่ยเราดูไม่ทัน มันดูยากนะมันแยกจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ทรงแสดงเวทนาเก้าเนี่ยเาว่าไปอย่างนั้นเราดูไม่ทันคือแยกไม่เคยออกเหมือนสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยต้องหนุนเนื่องกันแล้วก็มีพลานุภาพสูงจึงแยกได้แต่ไงไก็ตามคือการพยายามที่จะทำจิตของตนเองให้อยู่ด้วยอารมณ์ของกรรมฐาน เขเรียกว่าอย่าหายใจศูญเปล่านะฮะเอาสติเข้าไปจับแล้วเวลาโอกาสต่างๆนี่มีเป็นอันมากแต่ในปัจจบนนุบันในชีวิตเราอยู่ในยานพาหนะซะเยอะในกรณีที่เราไม่ต้องขับคือเรานั่งไว้เฉยๆนี่ยนั่งคิดแต่มันเลื่อนลอยตาอะไรเอาใจมาสงบกับลมหายใจเข้าออกมานับลมหายใจเข้าออกมาตั้งสติแล้วลึกถึงคุณพ่อแม่คุณศีลคุณความดีอะไรต่ออะไรของเราเนี่ย หรือแม้แต่ทบทวนอดีตการของเราที่มีความสุขพร่องบกพร่องผิดพลาดหรือว่าดอีอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนบกพร่องผิดพลาดก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไม่ทําต่อไปในส่วนที่ดีก็พยายามรักษาและพัฒนาเพิ่มขึ้นเคือใจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวพูดง่ายว่างั้นแต่ตามปกติแล้วคนเราจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือไปที่ไหนไม่ว่าตเตลิดเพลิดไปในที่ต่างๆ เรรู้พร้อมซึ่งจิตตสังขารคำวมาจิตตสังขารเนี่ยคือสิ่งที่ปลนปลืหลรอเลี้ยงจิตอยู่ได้แก่สัญญาคือความจำได้เวทนาคือความสวยอารมณ์คือจิตที่เราพูดโดยง่ายๆธรรมดาธ ร, รานะฮะเอาหน้าที่ธรรมดาธรรมดาที่ดูกันชัดๆเนี่ยคือทำหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทำกสาตสัมผัส เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกริมร้ด้วยลิ้นถูกต้องเย็รนร้อนอ่อนแข็งด้วยกายแล้วก็เหนิวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายด้วยใจแต่ถ้าจะพูดในระดับของประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทก า, า, ายพวกนี้มันมีลักษณะเป็นทวารคือเป็นทางผ่านเป็นประตูที่จะนําเอารูปเป็นต้นเข้าไปสู่จิต คิดจึงทําหน้าที่รู้ทําหน้าที่รับนะฮะทำหน้าที่รับรู้พู้งเงี้ยทำหน้าที่รับรู้แล้วเสร็จแล้วก็จะจำไว้จําตรงเนี้ยท่านโบราณเนี่ยท่านแปลไว้ดีท่านแปลว่าจําดจได้หมายรู้เลยเราสังเกตว่าเราจําบางทีเนี่ยคนฝาแฝดทํายังไงจะจําได้ทั้งคู่ มันก็ต้องจำได้แล้วก็ต้องหมายรู้จุดต่างจุดเหมือนจุดคล้ายครึงจุดแผ่เพียนให้ได้แต่ไม่งั้นก็จำไม่ได้มารู้จากคู่แฝดอยู่คู่เนึ่แเ้าเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีชื่อเสียงอยู่ในสังคมเนี่ยพวกับเขาแล้วก็ต้องดำน้ำพูดไปเรื่อยอะ่ะนึกไม่ออกหรือตั้งหลายปีจำไม่ได้พปนานา น, านานานานจะเจอสักครั้งหนึ่งเนื่องจากเราไม่เจอขอสองครั้ง คือสองคนพร้อมกันหาจุดสังเกตได้ย่างเพราะ ง, งั้นถ้าเกิดอาการจําได้ไหมายรู้มันก็กลายเป็นสัญญาทีนี้ต่อไปเรียกจิตนาคือจะทนะําหน้าที่คิด ท, นะทําหน้าที่คิดแล้วมันก็กําหนดคือตีค่าของอารมณ์ น, นั้นป ต, ติค่ามันเกิดชอบไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นสุขถ้าไม่ชอบก็เป็นทุกข์ก็กลายเป็นเวทนา แล้วเราก็จะรู้ในเรื่องเหล่านั้นลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับที่ท่านเรียงเป็นการรู้ระดับสัญญาคือความจำได้ไหมรู้รู้ระดับปัญญาที่รู้แจ้งขึ้นแล้วก็รู้ระดับปัญญาหรือรู้ระดับรู้ระดับทิฏฐิเป็นความรู้ที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าในเชิงของปริยัตินเพราะเราสังเกตว่าเวลาเราสัมผัสอารมณ์เช่นสมมติเราเห็นคนสักคนหนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีจิตสังขารในเรื่อ ง, งนั้นล้วก็มีเฉพออาะอวิชชาคือเราไม่รู้แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะไขวิรู้มันจะดิ้นรนมันจะสอบถามถา ม, ถามว่าอะไรใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทําไมเพราะเหตุใดจะถามอย่ตลอดระยะไปได้เลยตัวหาทางที่จะรู้ให้ได้พอรู้เสร็จแล้วเนี่ยจิตก็จะทําหน้าที่จํา แล้วก็จะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งที่เราโรคก็กลายเป็นเวทนาถ้าชอบเราก็เป็นสุขถ้าไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เพราะฉนั้นเวลาพบในคราวหลังคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยเรงสังเกตพบแลวดีใจก็มีพบและเสียใจก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเราจำได้หมายรู้แล้วก็เคยเสวยผลจากการเกี่ยวข้องกับคนล่านั้นทั้งด้านดีด้านไม่ดี บางคนเราพบแล้วเราก็ไม่พอใจบางคนพบแล้วเราก็ดีใจบางทีวิ่งไปหาบางทีก็หลบเห็นว่ามันเป็นอาการของสัญญากเวธทนาที่มีอยู่ภายในใจิตใจของเราและพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาประณีตไปโดยลำดับแล้วเวลานามาสอนเราก็สอนสอนในแนวอย่างนี้คือให้เดินตามรออยู่คนบาปของพระองค์พรงได้พิสูจน์ทดสอบมาแล้ว ธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่ปรัชญาอย่างที่เราเอาชอบเอาฝราั่งตามฝรั่งนะฮะคือปรัชญาเนี่ยแปลว่าความรักในความรู้มันมาจากพิโลโซเฟย์โซฟี่ก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ชอบคิดชอบคนชอบกําหนดชอบตั้งเป็นทฤษฎีอะไรอะไรต่างๆเกิดมาท่านเองก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบตัติไม่ได้พิสูจน์ทดสอบอะไร แต่แน่นอนว่าสภาพจิตของท่านเนี่ยคงจะดีกว่าสามัญชนทั่วไปแต่ของพุทธิย่าไม่ใช่คือส่งสอนจากภาคสนามให้ดูพระโรงเดินไปก่อนแล้วแล้วเมื่อเราเดินตามก็จะไปเช่นเดียวกันเพราะคาสอนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นการบอกแผนที่ให้แต่คนจะไปถึงหรือไม่ถึงเมื่ออยู่ที่เขาไปหรือไม่ไป ไม่ใช่บ่าพอบอกแล้วก็จะไปได้เลยก็ทรงแสดงไปตามลำดับนะคหมายความว่ารู้พร้อมซึ่งจิตสังขารทำจิตสังขารให้สงบระงับกหมายความว่าสงบสัญญาสงบเวทนาแล้วรู้สึกพร้อมซึ่งจิตอันนี้ก็ขึ้นจิตตาของปัสนานาาแล้วแล้วก็ทำจิตให้ประโมทคือในกรณีที่จิตมันอยู่ในกุศลเพิ่มกุศลขึ้นจิตก็จะประโมท แล้วก็ในขณะที่จิตมันอยู่กุศลแล้วก็ทํายังไงให้ตั้งมั่นหรจิตไปอยู่ในสมาธิแล้วก็ทําให้จิตตั้งมัน่นขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยจิตมันไปอุ้มอารมณ์เรื่องไม่ดีเอาไว้เก็บกดหรือกลัดกลุ่มเรื่องไม่ดีเอาไว้ก็ปล่อยปล่อ ย, อยจิตแล้วในที่สุดก็ยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาดูที่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็หมายความว่าดูพวก รูปเสียงกินรถเออไม่ใช่ผู้เวทนาสัญญาตังขานวิญญาณนะรูปเสียงกินรถก็ได้นะคือเราเห็นความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเออก็จริงแล้วเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่ควรจะกำหนดเพื่อเพลินยินดีอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูรสชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่ วพาสิ่งตั้งหลายถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะกำหนัดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีแต่สุดใจมันจะคลายกำหนัดแต่ก็พูดยาก น, นะการทำใจยากนั่นก่องก็ไปนั่งกลายกับพระเทระรูปหนึ่งก็บอกท่านว่าอีก2องปีก็จะแปดสิบแล้วนะผมผมก็หกสิบเจ็ดแล้ว บางคนนึ ก, กว่าข้างหน้าเราก็น้อยด้วยกันเนี่ยก็น่าจะเสียบตัวทําอะไรไปบ้างคือยังไงก็จะไปแล้วคือถ้าปลงให้ตกคิดไ ด, ได้แล้วก็รีบใช้เวลาที่อะไรเราใช้ได้เนยะในขณะที่มือเท้าเราบังคับได้เราใช้ได้อยู่เนี่ยเราก็รีบใช้เสียมีพระอาหารรูปหนึ่งตอนที่ ท่านเป็นคือขบดีมีฐานะบงังคังลำรวยมากแนละ้วแล้วต่อมาตัดสินใจจะบวชน้องชายขอร้องไว้ว่าอย่าบวชเลยก็ อ, อยู่สวยสมบัติให้สบายซะก่อนแล้วค่อยบวชตอนแก่ท่านให้เหตุผลว่าตอนแก่เนี่จะทำอะไรได้มือเท้าตัวเองยังควบคุมไม่ได้จะไปประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์หมดจดได้ยังไง เีกอย่าน่ร่างกายที่เราจะคิดจะปนปลือมันเนี่ยปลนปลือมันทำอะไรมันเป็นโรคคณิตทังเป็นรังของโรคมันเป็นประพังกุนังมันต้องเปื่อยเน่าเพราะนั้นเห็นไหมมองอย่างนี้มันก็คลายกำหนัดในกายแล้วประกายคนอื่นนะกายคนดื่มมันก็คือกันเนี่ยเป็นการมองในขันทั้งหลายแล้วก็ในที่สุดมันก็เข้าสูตรนะฮะเข้าสูตรธรรมะเราจะเห็นว่า ข้อตรงนี้จะส่งแสดงไว้อภิญญาญาสิสมบทายานิบานายาสังวัตติมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะศึกษาในแนวไหนก็ตามก็เห็นการลดละการจางคลายการคลายกำหนัดการดับกิเลสได้ไปตามลำดับคือไม่ถึงกระดับพรวดเดียวทั้งหมดหรอกสู้มันยากหน่อยกิเลสแต่ก็ต้องพยายามลดนะฮะ พยายามลดพยายามละพยายามให้จางคลายลงไปมนุษย์เราที่จริงเนี่ยถ้าใช้ปัญญาถ้าเหตุผลแล้วก็สามารถที่จะเสริมค่าให้กับชีวิตตัวเองได้คือกนในขณะที่สังขารร่างกายเราแก่อยู่ทุกขณะเนี่ยแต่ถ้าให้คุณธรรมมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยมันถึงจะไม่ทุกข์ขณะแต่ใก้เพิ่มขึ้นพอสมควรเรียกแก่สีมแก่ทานแก่ภาวนาขึ้นไปพอสมควร มันก็ทําให้ใกล้ใต้พระโพธิญาณขึ้นไปนะร่มเงาของพระโพธิญาณก็ไปโดยลําดับเพราะภายใต้พ ร, ระโพธิญาณเนี่ยถ้าเรากล่าวโดยสรุปมันก็ไม่มีอะไรก็อยู่ในเรื่องของอริยสัจสี่แต่เป็นอริยสัจสี่ประเภทที่ละสมุทัยได้นะฮะละทุกได้แล้วก็ทํานิโรธขึ้นมาได้แล้วก็ตามมรขึ้นมาได้ ซึ่งแน่นอนก็ไม่ใช่เต็มที่เสมอไปเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันกิเลสมันลดลงหน่อยความทุกข์เพิ่มขึ้นเออไม่ใช่ความทุกข์ลดลงหน่อยธรรมะเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอออายุอาณามเราก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่เสียชาติเกิด เราก็เห็นสีนเรากระเนิดขึ้นเน้นทานเราก็เพิ่มขึ้นมีอภัยสูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออภัยทานกับธรรมทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายวัตถุทานเนี่ยไม่แน่บางทีเราก็ขาดแคลนอย่างเวลานี้ยไม่ควรจะพูดเรื่องวัตถุทาน บ, าบา่อยๆนะเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาวัดว่าอารามต่างๆก็ไม่ควรจะพูดเรื่องเองินเ่งทองให้มากแล้วทํำยังไงล่ะความขัดแย้งต่างๆภายในสังคมเนี่ย คือถ้าเรามีการอาภัยกันมีการโอบอ้อมารีาเพื่อเผื่อแผ่ชี้แนะแสดงเหตุผลบอกกล่าวเล่าแจ้งในสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารต่อกันก็จะชื่อว่าได้ใช้ชีวิตให้อยู่ด้วยธรรมะตามกำลังความสามารถทั้งผู้ฝั่งทั้งหนแต่หรงประโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นต่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพรู์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังกันหลายโดยทั่วกันสวัสดี